ตึกเช่าสยองย่านพระรามสองสมัมผัสสยองเรื่องที่จะนำมาเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของเราที่ชื่อพิม์และครอบครัวของเธอเป็นเรื่องเกี่ยวกับตึกเช่าแห่งหนึ่งในย่านพระรามสอง ซอยนี้จะเป็นซอยใหญ่ติดกับถนนซึ่งที่ภาคแถวนี้เป็นตึกแถวแทบทั้งหมดบางก็สี่ชั้นห้าชั้นแตกต่างกันไปครอบครัวของพิมพ์ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเธอจึงต้องย้ายออกจากบ้านเช่าหลังเก่าเพราะเจ้าของบ้านจะต้องขายบ้านพ่อของพิมพ์ตัดสินใจย้ายมาอยู่กับน้องชายเขาที่เช่าตึกอยู่นี้เพราะมีหลายชั้นแบ่งกันอยู่และแชร์ค่าเช่ากัน จะได้ถูกลงพ่อก็พาแม่และพิมมาดูที่ตึกโดยชั้นล่างอากมพิมอยู่ซึ่งเปิดเป็นร้านเกมคอมพิวเตอร์พอขึ้นมาอีกชั้นก็จะเป็นชั้นลอยเอาไว้เก็บของเป็นชั้นโล่งๆไม่มีห้องไม่รกพอเดินมาอีกก็จะเป็นชั้นสองอากมพิมกับแฟนแกนอนที่ชั้นนี้ถัดไปเป็นชั้นสามจะมีสองห้อง ห้องที่ติดกับบันไดทางขึ้นมาจากชั้นสองเรียกห้องนี้ว่าห้องใหญ่ห้องใหญ่นี้จะมียันติดอยู่ที่หน้าห้องห้าแผ่นใหญ่ๆทั้งยันไทยและจีนส่วนห้องตรงข้ามที่ติดกับบันไดทางขึ้นไปชั้นสี่เรียกห้องนี้ว่าห้องเล็กเพราะขนาดเล็กกว่าห้องตรงข้ามมากแม่พิมไม่เห็นห้องเล็กก็เลยบอกให้พิมมานอนที่ห้องนี้เพราะมันเล็กดี หมอ ก, กับนอนคนเดียวแต่อากุงพิมพก็พูดขึ้นมาว่าไม่ได้นะห้องนี้นอนไม่ได้แม่ของพิมพก็เอใจว่าทำไมถึงนอนไม่ได้แต่อาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อพิมพก็เลยได้นอนห้องใหญ่ส่วนพ่อกับแม่นอนห้องเครื่องบนที่อยู่ชั้นสี่ก่อนย้ายเข้าไปอยู่แม่ของพิมพก็คุยกับพ่อว่ามันแปลกๆทำไมห้องนั้นถึงนอนไม่ได้ พ่อพิมพก็บอกว่าคงไม่มีอะไรหรอกนอนห้องใหญ่ก็ดีกว้างแถมยังมีระเบียงด้วยคืนแรกที่ย้ายเข้าไปอยู่พิมพบอกว่าปกติไม่เคยนอนคนเดียวนี่เป็นครั้งแรกเลยตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มหลังจากพิมพอาบน้าเสร็จก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนเพราะเหนื่อยกับการจัดเก็บของแล้วพิมพ์ก็นอนหลับไป พิมเล่าต่อว่าขณะที่นอนอยู่นั้นก็มีเสียงคนมาบิดลูกบิดประตูเหมือนพยายามจะเปิดเข้ามาทำให้พิมตกใจตื่นเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์เมื่อมองดูเวลาก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วพิมยังคงได้ยินเสียงนั้นอยู่แต่ไม่ได้พูดอะไรออกไปเราคิดว่า อาหรือแม่คงจะมาเช็คว่าหลับไปแล้วหรือยังพอเช้ามาพิมพ์ก็ถามว่าเมื่อคืนใครไปบิดลูกบิดประตูห้องหรือเปล่าคำตอบที่ได้มานั้นก็คือไม่มีใครไปที่ห้องพิมพ์เลยอาเข้านอนตั้แต่สี่ทุมส่วนพ่อกับแม่ก็หลับเวลาเดียวกันกับพิมพ์พิมพ์ก็งงมากเพราะมั่นใจว่าไม่ได้ละเมอแน่ๆแล้ววันต่อมา ก็ยังมีเสียงแบบเดิมอีกในเวลาเดิมแต่คราวนี้หนักขึ้นเพราะเหมือนเขาจะพยายามดันประตูเข้ามาเสียงนั้นมันเหมือนกับมีอะไรกระแทกประตูอยู่พิมพ์กลัวมากไม่กล้าลุกไปเปิดไฟดูได้แต่นอนคลุมโปงแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเรื่อยๆ พิมพเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังเพราะแม่พิมพได้ฟังก็ไม่สบายใจกลัวว่าลูกสาวจะเจออะไรก็เลยพาพิมพไปทำบุญที่วัดหลังจากนั้นพิมพก็หลับได้สบายขึ้นแต่เสียงเคาะประตูกับเสียงเหมือนคนกระแทกประตูก็มีให้ได้ยินบ้างเป็นบางคืนวันหนึ่งมีคนเก็บขยะเดินเข้ามาคุยกับอาของพิมพว่าขยันจังเลยนะเปิดร้านทั้งวันทั้งคืน รวยแล้วมึงอ้าคงพิมพก็อึง้งเพราะร้านเกมของอาเปิดถึงแค่เที่ยงคืนเท่านั้นปกติถ้าลูกค้าไม่ได้เล่นอะไรต่อห้าทุ่มก็ปิดร้านแล้วอ้าคงพิมพก็เลยบอกกับคนเก็บขยะว่าผมปิดร้านตั้งแต่ห้าทุมนะลุงดึกสุดก็ไม่เกินเที่ยงคืนลุงตาฝาดหรือเปล่าลุงแกก็เถียงจะตาฝาดอะไรล่ะฉันยืนเก็บขยะอยู่หน้าร้าน ข้างในมีผู้หญิงผมยาวกับเด็กนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วอาของพิมพก็ไม่ได้พูดอะไรกลับไปเพราะอาไม่มีลูกแฟนอามีความผิดปกติที่มดลูกทาให้ไม่สามารถมีลูกได้หลังจากที่ได้ยินเรื่องที่คนเก็บขยะเล่าให้ฟังแม่พิมพ์ก็ไม่สบายใจบวกกับสิ่งที่พิมพ์เจอด้วยแม่พิมพก็เริ่มสงสัย แต่อาก็เงียบไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังพ่อพิมเองก็ว่าแม่คิดมากไปหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกต่อมาพิมได้ลูกแมวจรจัดมาเลี้ยงพิมก็เลยเอาขึ้นมาอยู่ที่ห้องด้วยเพราะห้องของเธอกว้างตอนหัวค่าพิมจะเปิดประตูห้องแล้วดูทีวีแม่ก็จะอยู่ชั้นลอยทำกับข้าวอากับแฟนก็จะอยู่ชั้นล่างดูร้านเกม ส่วนพ่อพิมพ์ทํางานกลับดึกระหว่างที่พิมพ์ดูทีวีอยู่ลูกแมวที่อยู่ในห้องก็มีอาการแปลกๆอยู่ๆมันก็เดินเข้าไปใกล้ประตูห้องแล้วร้องขู่พิมพ์เห็นก็งงว่าแมวเป็นอะไรพิมพ์จึงเรียกแมวให้กลับมานั่งข้างๆแต่มันไม่ยอมมาและยังคงร้องขู่แล้วทําท่าทางเหมือนกลัวอะไรสักอย่างพิมพ์เลยเดินไปอุ้มแมวมา แล้วพูดว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยร้องทำไมเพราะข้างนอกก็ไม่มีใครจริงๆชั้นสามที่อยู่ก็มีแค่พิมพกับแมวตอนนั้นพิมพก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าลูกแมวคงยังไม่คุ้นหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวที่แมวแสดงอาการแบบนี้บางครั้งแมวก็วิ่งหนีไปทางประตูระเบียงเหมือนกับว่ามีใครไล่มันไป ทั้งทังที่ก็ไม่มีใครพิมพเองก็เริ่มกลัวและไม่กล้าอยู่ชั้นสามคนเดียวบางครั้งพิมพต้องเปิดไฟทั้งชั้นเพื่อลดความน่ากลัวลงมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พิมพเล่าว่าเธอเดินขึ้นบันไดจากชั้นสองมาชั้นสา่อยู่ๆก็เหมือนมีอะไรผลักพิมพให้ตกบันไดแต่โชคดีที่มือพิมพจับราวบันไดไว้ได้ทันแต่เอวของพิมพ ก็กระแทกกับราวบันไดที่เป็นส่วนโค้งทำให้เธอเจ็บไปหลายวันพิมพ์บอกว่ามั่นใจว่าไม่สะดุดหรือลื่นอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าถามว่าอะไรผักเธอตกบันไดเธอก็ไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้แม่พิมพ์ก็สั่งให้ระวังเวลาเดินขึ้นลงบันไดเหตุการณ์ก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งพิมพชินทั้งเรื่องเสียงลูกบิดประตูห้อง เรื่องที่คนในละแวกบ้านเห็นร้านเกมของอาเปิดตอนตี3ตี4ซึ่งความจริงร้านปิดตั้งแต่เที่ยงคืนถึงลูกค้าจะเล่นอยู่แต่ก็จะบอกว่าร้านปิดแล้วลูกค้าก็เข้าใจและกลับบ้านอาของพิมพ์เปิดร้านเกมที่ตึกนั้นมาเป็นเวลา7ปีและลูกค้าที่มาเล่นส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าประจำวันหนึ่ง พิมไปซื้อขนมจากร้านค้าข้างบ้านอยู่ๆคนขายเขาก็ถามว่าเป็นยังไงอยู่ได้ไหมปกติดีไหมพิมพก็งงแต่ก็ตอบไปว่าค่ะอยู่ได้ไม่มีอะไรป้าที่ขายของเขาก็บอกว่าดีแล้วพิมเป็นเด็กดีไม่มีอะไรมาทําร้ายพิมพได้หรอกเนื่องจากร้านขายของข้างบ้านพิมพเป็นป้าคนจีนแก่ๆสองคน บางครั้งที่ไปซื้อของพิมพก็ไปช่วยป้าแก่ยกของจัดของอยู่เป็นประจำพิมพเป็นผู้หญิงตัวเล็กแต่เธอมีน้ำใจกับทุกคนมากช่วยอะไรได้เธอก็ช่วยจากนั้นเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรมากอาจจะด้วยเพราะความที่พิมพชินกับการอยู่ที่นี่แล้วจนมาวันหนึ่งเหตุเกิดที่ชั้นสเป็นชั้นที่พ่อกับแม่ของพิมพนอนอยู่ วันนั้นก่อนนอนแม่กมพิมก็ล็อกห้องตามปกติโดยล็อกลูกบิดประตูและกรอนประตูคืนนั้นพ่อกรมพิมรู้สึกร้อนเลยลุกขึ้นมาอาบน้ําตอนตีสาห้องน้ําชั้นสตําแหน่งจะตรงกับห้องเล็กชั้นสพอดีหลังจากที่พ่อพิมพอาบน้ําเสร็จอยูๆ่ๆก็มีเสียงบิดลูกบิดประตูแม่พิมพก็ตกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไร แล้วกรอนที่เป็นกรอนยาวมันก็เด้งออกจากตัวล็อกแม่พิมเริ่มใจคอไม่ดีเลยลุกไปล็อกกรอนยาวอีกครั้งพอพ่อพิมกลับมานอนที่เตียงเสียงบิดลุกบิดก็ยังคงดังอยู่เรื่อยๆเริ่มทำให้เกิดความรำคาญพ่อพิมจึงลุกขึ้นใช้มือตบที่ประตูหนึ่งครั้งล็อกกรอนแล้วกลับมานอนจากนั้น ก็ไม่มีเสียงอะไรอีกเลยพ่อพิมพ์บอกกับแม่ว่าอย่าเล่าเรื่องนี้ให้พิมพฟังนะเพราะเดี๋ยวพิมพจะกลัวเช้ามาห้องเล็กที่ชั้นสามก็มีน้ำขังอยู่เนื่องจากท่อระบายน้ำที่ต่อมาจากชั้นสี่เกิดรั่วแม่พิมพ์ก็จัดการเก็บกวาดให้เรียบร้อยเหมือนเดิมพิมพ์เล่าต่อว่าวันหนึ่งเธอไปอาบน้ำที่ชั้นสี่โดยปกติแล้วจะอาบที่ชั้นสอง ที่เธออยากอาบน้ำชั้นสี่เพราะชั้นนั้นมีอ่างอาบน้ำตามประษาผู้หญิงอยากแช่น้ำขัดตัวแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดพิมรู้สึกว่าระหว่างที่อาบน้ำอยู่นั้นเหมือนมีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาทำให้พิมพ์เกิดความรู้สึกไม่สบายใจและกลัวด้วยพิมจึงรีบอาบน้ำแล้วลงมาห้องข้างล่าง เวลาที่นอนไม่ว่าจะเป็นหลับกลางวันหรือกลางคืนบางครั้งก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมากระชากเธอมันเหมือนมีคนมาดึงทําให้พิมพ์ต้องตื่นกลางคืนหรือตื่นเวลาที่หลับพักผ่อนตอนกลางวันเป็นประจําพิมพ์บอกกับแม่ว่าเหมือนมีใครมาดึงพิมพ์ให้หลุดออกจากกรางทําให้พิมพ์สะดุ้งตื่นทุกครั้งแม่พิมพ์ก็เริ่มกังวลใจ เพื่อนแม่พิมพ์เลยพาไปหาร่างทรงแล้วร่างทรงก็ได้บอกว่ามีผู้หญิงตายทั้งกลม่มเขาอยู่ที่นั่นมานานแล้วจนกลายเป็นเจ้าที่ของที่นั่นไปแล้วจะให้เขาออกไปมันไม่ได้หรอกได้แค่ทําบุญหรือเอาของไปเส้นไหว้เท่านั้นไม่ได้รู้ดังนั้นแม่พิมพ์ก็ชชอกไปเลยเพราะกลับมาถึงบ้านแม่ก็เลยเรียกอามาคุยอาจึงยอมเล่าเรื่องให้ฟัง อาบอกว่าได้ยินมาจากคนที่อยู่รอบๆตึกนี้ว่าเคยมีคนตายอยู่ที่นี่ตึกนี้เคยเป็นตึกที่เท่าแก่ทำเกี่ยวกับการเย็บผ้ามีคนงานเยอะแยะมากมายแต่ด้วยเศรษฐกิจที่ไม่ดีในช่วงนั้นจึงต้องปิดกิจการไปแต่มีผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งยังไม่ย้ายออกเพราะรอสามีมารับลูกจ้างคนอื่นๆก็ทยอยออกกันหมด ทำให้เจ้าของตึกเข้าใจว่าไม่มีคนอยู่จึงล็อกประตูจากด้านนอกพอรู้อีกทีก็ตอนที่สามีของผู้หญิงคนนั้นมาแต่พบว่าเธอกลายเป็นศพไปแล้วหลังจากนั้นเจ้าของตึกก็ทำบุญเชิญพระมาสวดเชิญสินแสมาแต่เหมือนจะไม่มีประโยชน์เพราะผู้หญิงคนที่ตายยังอยู่ในตึกนั้นห้องเล็กชั้นสามคือห้องที่พบศพเธอ อาเล่าต่อว่าใครมาเช่าที่นี่ก็จะอยู่ได้ไม่นานบางคนขนข้าวของออกไปตอนกลางดึกก็มีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เจ้าของตึกจ้างคนงานมาทำสายไฟใหม่ที่ตึกคนงานก็นอนค้างที่ห้องเล็กนั้นนอนกับภรรยาของเขาคนอื่นๆที่เป็นลูกน้องเขาก็นอนอีกห้องเขาเล่าว่าตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสอง แฟนเขานั้นนอนทั้งฝั่งซ้ายมือกลางคืนเขาพลิกตัวไปทางขวาก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนนอนอยู่ตรงหน้าเลยลืมตามมองก็ปรากฏว่าไม่ใช่แฟนเขาแต่เป็นเงาของผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งหิวดำพอเขาเห็นก็ตกใจลุกขึ้นปลุกแฟนกับลูกน้องแล้วขนของกลับตอนนั้นเลย หลังจากนั้นครอบครัวกรมพิมก็เริ่มไม่สบายใจที่จะอยู่ที่นี่ต่ออีกทั้งเจ้าของตึกเขาก็ขอตึกคืนด้วยตอนแรกที่เขาให้ช่างมาทาสายไฟใหม่เพราะจะให้ลูกชายมาอยู่แต่ก็เกิดเรื่องไม่ดีบวกกับใครมาเช่าก็อยู่ได้ไม่นานมีแต่อาของพิมที่อยู่ได้นานที่สุดเขาจึงตัดสินใจมาขอให้ย้ายออกซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เขาจะเอาไปทำอะไรต่อแต่ครอบครัวพิมไม่ค่อยลำบากเท่าไรเพราะของน้อยแต่อาของพิมนี่สิไหนจะของส่วนตัวคอมพิวเตอร์ในร้านอีกเมื่อพิมย้ายออกจากที่นั่นมาแล้วแม่พิมก็เล่าเรื่องคืนนั้นที่พ่อลุกขึ้นมาอาบน้ำตอนตีสามให้ฟังพ่อพิมก็พูดว่าไม่เคยคิดนะว่าเรื่องพวกนี้จะมาเจอกับตัวเองตอนแรก พ่อพิมพมีความเชื่อแบบกึ่งๆว่ามีผีจริงเหรอพ่อบอกว่าวันนั้นพ่อกลับบ้านมาขณะที่กำลังเดินขึ้นบันไดชั้นสี่ประตูห้องเล็กมันจะอยู่ต่อจากบันไดเลยพ่อพิมพ์เห็นเงาผู้หญิงผิวสีดำดำมากๆผมยาวปิดหน้าใส่ชุดขาวยืนอยู่ตรงทางเข้าประตูพ่อพิมพ์ก็ตกใจแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจ แล้วเดินผ่านผู้หญิงคนนั้นเข้าห้องไปพอเราได้ฟังเรื่องนี้จากพิมพ์ก็ขนลุกเลยเพราะเราเคยไปทำงานกลุ่มที่บ้านพิมพ์ตอนที่พิมพ์มาใส่อยู่ที่ตึกนั้นแต่ไปตอนกลางวันอยู่แค่ชั้นล่างที่เป็นร้านเกมกับชั้นลอยเราคิดว่าที่พ่อพิมพ์เห็นผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นเพราะพ่อพิมพมีเซนถึงได้เห็นเป็นตัวเลย ไม่มาเป็นเสียงเหมือนที่คนอื่นๆเจอส่วนอากับแฟนของเขาไม่เคยขึ้นมาบนชั้นสาเลยอยู่แค่ชั้นหนึ่งแล้วก็ขึ้นมานอนชั้นสองแค่นั้นอาจเพราะอารู้ประวัติของที่นี่ดีก็เลยไม่ขึ้นมาอยู่ สมผัสสยง